พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่10ด้วยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรณธานีแสดงธรรมในวันที่19มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าศึกษาพระวินัยและศึกษาธรรมข้างใน วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวัน <c oughs> วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ได้ลงอุโบสถจบลงสักครูนี้วันนี้พระทั้งหมดสี่สิบแปดรูปที่ลงอุโบสถสวดพระปฏิโมกจบลงสักครูนี้ จากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนจากวันเดือนเจ็ดแผ่นไปถึงถึงเดือน8ปดแผ่นแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นขอให้พระทุกองนะที่ผู้ที่จะจําพรรษาหรือผู้ที่จะโยกย้ายไปทางอื่นมาจากทิ้งอื่ น, าา ท, น, นที่จะกลับบัตรหรือประจําพรรษาที่ไหนก็ให้พิจารณาตัวเอง <c oughs> แล้วก็พระ <c oughs> ที่บวชอยู่ที่นี่ที่จะจำพรรษาที่นี่ก็ให้ท่องคำอธิษฐานพรรษาเตรียมเอาไว้ถ้า <c oughs> ถ้าจะว่าใกล้ก็ใกล้ถ้าจะว่าไกลก็ไกลหนึ่งเดือนถ้ า, าว่าเราไม่เตรียมพร้อมมันก็ไกลถ้าว่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันก็ใกลเ้เพราะความพร้อม เพราะนั้นขอให้พระทุกองนะแล้วก็ในพรรษาที่จะถึงนี้ก็ให้วางแผนไว้ว่าพระที่ยังไม่ได้ปฏิโมกยังสวดปฏิโมกไม่ได้แต่จะเป็นนักบวชอาชีพหรือจะบวชอยู่ตลอดไปเราก็ควรจะใส่ใจในการเรียนในการศึกษาพระปฏิโมกในพรรษานี้ก็ให มีความสัต์จริงกับตนเองว่าข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกข์ให้ได้อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเราจะเอาท่องสดมนหรือว่าเราจะเร่งความภาคเพียรเราจะไม่เอาอย่างอื่นละในพรรษานี้เราจะภาวนาเอาอริยบทไหนพระในค้งพุทธในค้างพุทธการ อย่างพระจักคุบานท่านอาริยบทสองยืนนั่งกับนอนนั่งกับยืนเดินไม่เอานอนไม่นอนตลอดไตรมาสสมเดือนเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนอันนั้นคือพระจักคุบาลที่ท่านเอาอริยบทสา อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งมีไหมในครั้งพุทธกาลนะมนะีเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอายังไงจะเอ า, เ อ, า, เ อ, าอริยบทสีนะ่ได้ข้าพเจ้าจะนอนลูกเดียวอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะมันต้องยึ่เอาเร่งความภาคเพียรในพรรษานี้อันนี้เราก็ควรจะคิดวางแผนไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็พรรษาผ่านไปก็ผ่านไป ที่เราไม่ได้คิดวางแผนไว้ร่วงร่วงหน้ า, าก็ไม่น่าทูกนะเพราะว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามถ้าว่ามีแผนมีแผนมีแปล น, นเอาไว้นะก็จะดเีเพราะว่ า, าการที่เขาจะทำความชั่วเขาจะมีแผนเขาจะทำอะไรยังไงแต่เราจะเผากิเลสชําระกิเลสภายในใจของเรานะ เรายัางไม่มีแผนมีแปนบ้างเหรอไม่น่าไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะการควรเราควรจะวางแผนชีวิตของพวกเราเหมือนกันในพรรษานี้พวกเราจะทํำยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรจะบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเพราะพวกเราบวชมาไม่ใช่บวชมาเพื่อเล่นๆไม่ได้บวชมาเพื่อสนุกสนาน บวชมาเพื่อฝึกขัดดัดนิดสยัยขัดเกลักกิเลสภายในใจของเราให้เป็นพระที่ดีให้เป็นคนที่ดีเกิดมาทั้งที่ชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคำสอนของพุทธแล้วพวกเราปฏิบัติตนวยังไงมีแต่ยังเหลือแต่พวกเราเท่านั้นปฏิบัติปฏิบัติได้หรือไม่ ปฏิบัติอย่างที่พุทธะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหรือไม่เ่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะเพราะนั้นให้พวกเราคิดวางตัววางแผนเอาไว้นะผู้ที่จะเป็นฆราวาสก็เหมือนกันแต่บวดเป็นบวชมาที่จะครบกำหนดว่าข้าไปเจ้าลาบวชขาราชการลาบวชถึงกำหนดแล้วก็จะได้ลาสิกขา ไปรับราชการอันนี้มันก็เราก็อยู่ในใจของเราอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไงถึงจะเป็นขาราชการก็เป็นขาราชการที่ดีของประเทศชาตเิเราต้องคิดไว้อยู่เสมอเมื่อเราได้เข้ามาศึกษามาศึกษาธรรมะอย่างนี้แล้วนะคือหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธานในท่านสอนอยังไงท่านสอนให้คิดดีทดําดีพูดดีสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองอผิดคุณธรรมศีล จินธรรมจะริยะธรรมแล้วอย่าทำในจุดนั้นนี่แหละคือหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะให้ดูเขาดูเราเว่าเราทำหน้าที่นี้ออถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นอยู่การว่าจ้างของเขาหรือไม่สิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นข้าราชการแล้วก็วางตัวถูกว่าอยู่ในสถานะไหนเมื่อเราเป็นพระ เราก็เป็นพระในพุทธศาสนาการอยู่การไปการมาการจะเดินเหินไปที่ไหนเราก็คือพระสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปกระโดกกระเดกอย่าไปทําสิ่งที่ดูรู้สมัยเป็นคราว่าต์เรามองเรามองเห็นพระเอ้ยพระไม่น่าเคารพน่าเลื่อมใสนับถือทําอากัปกิริยาอย่างนี้เราเป็นพระต่อ เ, เป็นโยมแล้วเราตําหนิคนอื่นได้นะแต่พอเรามาเป็นพระเนี่ย ทำอะไรทำไม่ถูกนะกระโดกกระเดกไม่มีอยู่ไม่อยู่ในสีราจารวัดนะครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งยังสั่งสอนอยังไงตัวออกแวกแนวไปเรื่อยว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดนะอันนั้นแปลว่าตัวโง่อยู่ในลึกๆในตัวของเราเพราะนั้นอย่าทาสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ครูบาจาะแนะนําสั่งสอนอย่างไรเมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นที่มันไม่ถูกนะที่ท่านบอกกล่าวเราก็สํารวมระวังนั่นแหะแปลว่าผู้ผู้เขามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังจใจให้สําเนียดสําเนียดให้คําว่าคิด เ, เมื่อได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอันนั้นแปลว่าผู้มาศึกษาไม่ใช่ว่า ถ้าเราสงสัยถ้าเราเห็นได้ยินแล้วสงสัยก็าถามครูบาพระหลุนพี่ถ้าถามเสร็จแล้วยังไม่เจ็บตุใจให้ถามองค์อื่นอีกถามแล้วยังไม่จุใจให้ถามหลวงพ่อนะเพราะหลวงพอนะ่อเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของวัดนะเป็นเจ้าของเป็นหมู่หัวหน้าหมู่คณะถ้าท่านทรงใจแล้วอย่าไปทิ้งความสมความสงไว้ใสไว้ในใจนะ เออถ้าสงสัยไม่ไใจออกไปแล้วก็ยังสงสัยอยู่ฮะเออเพราะนั้นอย่าไปทิ้งความสงสัยให้ถามเออในเมื่อถามแล้วนะถ้าถามแล้วเพราะเป็นหลักธรรมคาสอนลึกซึ้งถ้าหลวงพ่อตอบไปแล้วยังไม่สงสัยยังอันนั้นอยู่เราก็ไปถามท่านผู้อื่นอีกนะที่ท่านผู้รู้ในหลักก็ทําวินัย ในพระปริยะัติธรรมแต่หลวงพ่อว่าไม่เหลือวิสัยนะไม่เหลือวิสัยที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้เรียนได้ศึกษามาแล้วหลวงพ่อคิดว่าที่จะให้ความกระจ่างกับบรรดาลูกน้องบรรดาลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษาได้พอสมควรเว้นสาเสียแต่ถามนอกลูกนอกทางนอกโลกไปหลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะ สิ่งที่รู้มันก็มีเพราะว่าความรู้แต่ละองค์แต่ละท่านมันไม่ใช่ว่าเคยย่ำพูรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าที่รู้รู้เท่าที่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรศึกษากับครูบาอาจ า, า, ยารย์มาอย่างไรประสบปการณ์มาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรในหลักพระธรรมวินัย ที่เราได้ศึกษาได้ฟังมาแล้วก็ปฏิบัติด้วยตนเองเราก็จะตอบตามที่ได้รู้ได้รู้ไดเห็นได้ศึกษามาในเรื่องนั้นๆนะเพราะนั้ น, นขอให้พวกพระเนเนทุกพระทุกองค์นะ้ามาศึกษาให้ทั้งอกจังตั้งใจแต่ผมมั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายนั่งสมาธินะทําจิตใจให้สงบนะทําจิตใจให้เป็นหนึ่งนะ ให้สติอยู่กับตนเองตลอดนะถ้าส่งจิตออกส่งใจออกไปอย่างที่ผมพูดเมื่อวานถ้าท่านพวกท่านทั้งหลายส่งใจออกไปข้างนอกมากไปว่าขาดทุนถ้าเราบวชเข้ามาแล้วส่งใจออกไปข้างนอกมากขาดทุนถ้าจิตใจอยู่กับตนเองมีสติมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> อยู่กับตนเองเป็นแล้วเราได้กำไรแล้วที่นี้เราละมองดูตนเองเลยสิ เขาส่งสินค้าไปไตไปขายต่างประเทศใครมีความมีห <ans> ัวในการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศแปลว่าคนนั้นหัวเก่งคนนั้นหัวฉลาดคนนั้นมีทุนมีมีทุนมีทุนพร้อมจนสามารถขายส่งขายของส่งต่างประเทศได้คนนั้นได้กำไรนะโดยมากได้กำไรแต่คนเราเรานพวกเราเนี่ยนะนักปฏิบัตินักภาวนาถ้าส่งใจออกไปข้างนอกมีตรขาดทุน ส่งไปมากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนมาก <c oughs> าเพอเพอจะเป็นบ้าเอาที่นเพราะส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกผมพ่อพูดเมื่อวานนี้ถ้าว่าจิตใจของเราอยู่กับตัวเองมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองนั่นละ่ะเป็นผู้ได้กำไรให้ฟังเอาไว้จุดนี้เจองไหมาจากนั้นเราก็พยายามให้จิตใ ห, ให้สติอยู่กับตนเองให้ภาวนาให้สติสัมปชัญญะ อยู่ที่ลม <c oughs> อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอให้มากที่สุดอ่ะอันนี้เราทำได้ไหมถ้าเราทำได้ก็นี่แหละแปลว่าเราได้จดหนึ่งละสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดาจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วต่อไปขั้นเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วให้พิจารณานะ ในครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้แนะนําในให้พิจารณาให้นําจิตที่ผ่านความสงบนั้นให้ถอนขึ้นมาหรื อ, อนําไปพิจารณาในพิจารณาอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่อู่กี่ครั้งตัวกี่หนพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาแยกแยะในกายของเราหรือพิจารณาธาตุสี่พิจารณาอสุภะพิจารณาอะไรก็ได้ เขาเราไปเห็นในรูกรูปที่มีอสุภะลูกคนล้มคนตายลูปสัตว์ตายอย่างนี้แล้วก็น้อมมหาตัวเองอีกชักวันหนึ่งข้าต่อไปภายภาคหน้าฆ่าจะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นโลกนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างเขาเหรออาจจะเป็นอาจจะร้ายกว่าเขานั่นอีกก็ได้เนี่ยร่างกายของเราอีกสักวันนึง นี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาแยกแยะให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงสรุปแล้ว เ, เป็นจริงอย่างไรคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ใช่ไหมแก่แล้วเก็เจ็บไม่เจ็บทุกคนก็ต้องมีเจ็บปวดไม่มากก็น้อยละมันต้องมีเจ็บเจ็บควาว่าเจ็บคนนี้คืออะไรเราก็คงจะพอรู้เวทนาคือความเจ็บ แต่บอกความตายใจจะขาดอย่าอย่างไปเจอแต่ต้องเจอแน่แน่ใช่ไหมอ่าอันนี้ต้องเจอแน่แนอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอันนี้จริงใช่ไหมที่เราคิดในจริงไหมนี่โกหกอ่โกหกใช่ไหมถ้าว่ายังคิดว่าตัวเองโกหกอยู่แสดงว่าใจของเรายังไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงอแต่พิจารณาดูแล้วใช่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดตายแน่แนไม่เป็นอย่างอื่น อันนั้นแปลว่าพิจารณายอมรับว่าเกิดมาแล้วเป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่แล้วตายแล้วศูญไหมยในหลักของพุทธตายแล้วไม่ศูญ น, นะอันนี้เรายัางไม่มั่นใจเรายัางไม่มั่นใจในตายและศูนย์แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าวิ ธ, ธีการพิสูจน์ให้มั่นใจนะั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นพกพระองค์เลย ที่เป็นพระมหาเถระให้ดูในธรรมเลิกขีดของท่านในประวัติของท่านต่า ง, ต, างต่างองค์ก็ต่างจืนยันว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทั้งนั้นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเพราะเหตุไรเพราะท่านดูที่ใจของท่านอย่างที่ว่าเนี่ยพอจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจผ่านความสงบเท่านั้นแหละจิตใจเป็นหนึ่งเท่านั้นแหะเราจะรู้ได้ อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียปแล้วเปียบเทปอีกนะร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถ น, ะนี่แหละตัวที่คนขับรถนะั่นแะตัวนะั้นแหละสําคัญมนโนปูพังเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่นะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในเมื่อเราใส่ใจในเมื่อเราจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัตินะพิธีการนั่งภาวนาถ้าหังว่าจริงจังและจริงใจอย่าทะเลถลาย อย่าส่งจิตไปใจออกไปข้างนอกให้อยู่ในความสงบแต่ละวันอยาไปพูดจะไปคุยกันถ้าไม่จำเป็นถ้ามีความจำเป็นเออก็ไม่ว่ากันบอกหมู่พวกเพืเอ่อนปรึกษาปรารบกันในเรื่องบางเรื่องบางวันบางครั้งไม่ใช่ว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระไม่ใช่เรื่องของพระนะ เ, เรื่องของพระเนี่ยต้องอยู่ในความสงบต่างองค์ต่างอยู่อย่าคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะพวกเราไปศึกษาดู ในหลักธรรมทหลักธรรมคำสอนของพุทธะอย่าคลกคลีด้วยหมู่คณะคลกคลีนั้นคืออะไรนี่แหละคุยกันสนทนากันเอาเรื่องโลกโลก เ, เรื่องเที่ยวเรื่องเตรเมื่อสามัยเป็นครวัตองที่ไม่เคยเที่ยวเคยเตรกันนะั่อผลในสุขก็จินตนาการาตามที่หมู่พวกเพื่อนพูดให้ฟังแล้วมันจะสงบได้ยังไงใจ ใ, ใจมันก็ออกไปข้างนอกไงปงฟงอยู่ทั้งวีทั้งวัน เออมาอยู่คนเดียวคนนั้นจะจิตใจฟุ้งอยู่ทั้งวันฟุ้งออกไปข้างนอกตลอดวันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มาบวชข้างนอกเขามาบวชอยู่ในวัดแต่ใจออกไปอยู่ข้างนอกน่ะมันจะสงบได้ยังไงเมื่อมันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะใจมันออกไปอยู่ข้างนอกใจสงนอกนะเออมีแต่ต่อไปไม่แต่เป็นเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนี้เพราะอะไเพราะมันใจสงนอกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเพลาผ้าเนนะ ในพรรษานี้เราจะเอาอยัางไงเราจะปฏิบัติต้นอย่างไรถือจะไม่พรรษาก็เถอะนะให้เป็นพระที่ดีอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในวดัดอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะสมกับเราที่ว่าเป็นศักกจบุตรนะเป็นพุท ธ, ธชินนรสเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าแล้วเมื่อกี้ในพวกเราก็ได้ฟังพระปฏิโมก ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยให้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามมีมากแต่พูดเป็นภาษาบาลีแต่เราจะศึกษาในพวกบาลีนั้นเราก็พิกอีกหน้าหนึ่งในพระปฏิโมกเล่มเล็กๆก็มีคําแปลอยู่ในนั้นหมดเป็นซิกขบทนี้มีความหมายว่าย่างไซิกขบทซิกขาบทนี้มีความหมาย ย, งามมายังไงถ้าเป็นกฎหมายก็กฎหมายนี้ ที่สวดเป็นบาลีนีแปลว่าอย่างไงมันมีความแปลอยู่ที่นั้นหมดนะออย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้นะซิกขบทที่สิบนะถ้าสิกขบทที่สิบหลวงพ่อใส่ใจเพราะคนถามบ่อยเหลือเกินว่ า, าการเก็บเงินละทองเนี่ยผิดไหมอมันผิดกฎหมายไหมผิดพระวินัยไหมแต่ทำไมห้ามไม่ให้รับเงินแต่ทำไมรับเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้นะ ในพระวินัยที่เราสวดลงจบลงสักครู่นี้ล่ะสิกขาบทที่ส0บนิติคียปายจิตตีข้อที่สิบ่ในสิกขาบทนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีบอใครใครใครใครคือคนนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายนะเป็นศรัทธาญาติโยมนั่นแหละถ้าใครใครนำทรัพย์มา เพื่อเป็นค่าจีวรจะถวายแก่ภิกษุถ้าหากว่าภิกษุต้องการจีวรพึ่งแสดงคนวัดหรืออุบาสกคนใดคนหนึ่งว่านี้เป็นวิยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายโยมคนที่เขาจะถวายปัจจัยนั้นน่ะเขาก็มอบอปัจจัยนั้นถวายไว้กับวิยาวัจกรนั้นถ้าหากว่าวิยาวัจกรนั้น ท่านภิกษุต้องการจีวรก็เข้าไปหาเขาบอกว่าอาตมาต้องการจีวรต้องการผ้าอย่างวันีเ้เขาเขาจ็จัดการให้ไปจัดการให้อันนั้นคือจบเรื่องมันจบนะเพราะว่าเาขามอบให้ก็จัดทา ย, ยาโจรคนนั้นก็เป็นซื่อคนซื่อสัตว์ซื่อตรงเก็บจตุปัจจัยไว้แล้วก็ถวายพระาตามที่เขามอบหมาย แต่ถ้าหาว่าศรัทธาญาติโยมนั้นไม่ซื่อตรงฮะอันนี้มีข้อหนึ่งขึ้นมานเมื่อเขาถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าใครเป็นยมไววัจกรของิของท่านภิกษุนั้นพึ่งแสดงคนวัดลูุบาศกว่าผู้นี้เป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายขั้นข้อมอบหมายไว้กับไวยาวัจกรนั่นแล้วสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรพึ่งเขาไปหาเขานะอะ เพกสูนั้นเมื่อต้องการจีวรก็เข้าไปหาเขาแต่เขาใช้เงินของพระเนีตัวนี้แหะเขาคือเขาใช้เงินของพระแล้วนมีนะในครั้งพุทธกาลจนมีวินัยนะในเมื่อเขาใช้เงินของพระเพกสูนั้นจะไปทวงเขาได้เพียงสามครั้งนะได้เพียงสามครั้งเพราว่าเข้าไปอธิยอมอาตมาต้องการจีวรไปเอาผ้าจีวรให้อาตมาด้วยนะ อาตามาพาจีวรขาดแล้วครั้งที่หนึ่งเขาก็ไม่สนใจพอเขาไปครั้งที่สองอีกโยมอาตามา้าีต้องการจีวรให้ไปเอาพาจีวรให้อาตามาด้วยไปซื้ อ, อจีวรให้ผ้าให้ซื้อมาตัดจีวรให้อาตามาด้วยที่เขาถวายปัจจัยไว้น่นะนะยมเขาก็เฉยพอ เ, เอาเงินไปใช้แล้วพอเป็นครั้งที่สามอีกโยม อาตามาผ้าจีวรขาดแล้วให้โยมไปซื้อผ้าจีวรมาถาวายอาตามาด้วย เ, เขาก็เฉยพราะเขาใช้เงินแล้วถ้าหากาพระภิกษุไปทวงเป็นครั้งที่สี่ได้จีวรมาต้องนิจกิยาปาจิตติแปลว่าทำเกินไปทำเกินไปไม่ใช่ทวงทวงจนเกินไปนะในพอบินัยนะทวงได้เพียงสามครั้งนะในเมื่อไม่ได้จีวร แล้วไปยืนต่อหน้าเขาเถอเนี่ยไม่ให้พูดเถอนี่ยไปยืนต่อหน้าเขาอแปลว่าทวงทวงแบบนิ่งไปไปยืนต่อหน้าเขาอได้เพียงสี่ครั้งออถ้าหากว่าทวงไปยืนต่อหน้าเขาเป็นครั้งที่ห้าได้มาอีกได้ต้องนิจกียปาิดิเพิดสินสินขาดไปค้อนหนึ่งเองเหมือนกันอไปยืนต่อหน้าเขาให้เขารู้ว่าอาตมามาทวงปัจจัยเพื่อ เป็นข่าจีวรนะให้เขารู้แต่ไม่พูดนะไปยืนต่อหน้าเขาได้เพียงสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วหกครั้งเนะี่พอจำได้ตด้แหละนี่แหละไปยืนต่อหน้าเขาได้เพียงหครั้งเนะถ้าไม่ได้จีวรขืนไปยืนเขืนไปทวงให้เกินสามครั้งไปทวงให้เกินหกครั้งได้จีวรมาต้องนิจกิยปาปจิติ ถ้าหากว่าไปทวงสามครั้งไปยืนต่อหน้าเขาหกครั้งถ้าไม่ได้จีวรให้ไปบอกเจ้าของเดิมเขาว่าของที่โยมถวายปัจจัยที่โยมถวายนั้น เ, เขาไม่ได้ซื้อถวายมาให้ถวายอาตมานะให้ไปให้โยมไปทวงเอาของคืนมาซะถ้าไม่บอกเจ้าของให้เขาไปคืนเงินของเขาคืนมาปรับอวบทุกกฎแปลว่า ทําให้สมบัติที่เขาถวายเสียหายนะต้องไปบอกเจ้าของเดิมเขาอีกนะอันนี้คือพรอวินัยของพระอันนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังที่สวดเมื่อกี้เนี่้ลักษณะอย่างนี้แหละปราะทานขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวินัยของพระก็คือกฎระเบียบการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของพวกเรานี่แหละจะให้พวกเราศึกษานะ ให้พวกเราศึกษาวินัยก็คือกฎหมายนะั่นะกฎหมายปกครองสงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ ถ, ถูกต้องจึงจะเป็นธรรมการอยู่ด้วยกันการวางตัวอย่างไรกิริยามารยาทอย่างไรนี่แหละให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราศึกษาแล้วก็เราจะรู้ในศีลและวินัยของตนเองจะได้ปฏิบัติถูกไม่ใช่ว่าบชมาแล้วก็ศีลสองร้อีสิจ็มีแต่ชื่ออยู่ในกระดาษเท่านเอง ตัวเองไม่ได้ศึกษารลช ก, การประพฤติธปฏิบัติของต่ตัวเองทําออกนอกลู่นอกทาง อ, อ, อันนั้นแปลว่าพระไม่มีฮิริไม่มีโอตตะปะไม่มีอย่างอายเป็นพระอรัชีเป็นพระอรัชีชไม่มีอย่างอายออหมดอย่างอาย เ, ออเพราะฉนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะพระเด่นลูกหลานพระทุกองนะเข้ามาศึกษาแล้วก็เป็นพระที่ดีสํารวมในศีรษะ จ, จรวัต สำรวมในพระปฏิโมกข์ถ้าว่าปฏิบัติได้อย่างนี้แปลว่าเป็นผู้อยู่ในศิลป์อยู่ในวิน์ีในอยู่ในกฎระเบียบเป็นศักยญาบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงวันที่หลวงพ่อให้แนวความคิดอย่างหนึ่งในวันพระปฏิโมกขต่อเ น, นี้อไปพระสงฆ์พร้อมกันนะสวดท้ายปฏิโมกทน